คอลัมน์เที่ยววัดตอนวัดอินทราวาดโดยมาริเราได้ไปวัดอินทราวาดในคราวที่ไปแอลเชียงใหม่เชียงรายแรกเริ่มก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่เพื่อนสาวที่เขาเป็นคนคุ้นเคยท้องที่มาก่อนเขาก็แนะนำไปอา้าวไปกันวัดอินทราวาดหรือวัดต้นแขวนอยู่ที่ตำบลหนองควาย อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นี่เองเมื่อแรกพบเราก็รู้สึกว่าถึงจะเป็นวัดที่ดูเก่าแต่ก็คงความงามตามแบบฉบับไว้อยู่วัดทางเหนือเนี่ยน่าเที่ยวมากมีอะไรให้ดูในวัดแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยความสำคัญของวัดต้นกวนนัญนี้ขออ้างอิงแผน่นพับของเขาที่แจกอยู่ที่วัดมาดังนี้อันดับแรกคือการเป็นวัดที่ยั้งพักกระบวน หรือหยุดพักขบวนแห่พระบรมธาตุสีจอมทองจากอำเภอจอมทองมาในเมืองเชียงใหม่ในสมัยก่อนซึ่งถือเป็นประเพณีของเจ้าหลวงเชียงใหม่และประชาชนทั้งหลายมีการส่งน้ำพระธาตุทุกปีอันดับที่สองคือการที่มีมนดบแบบจตุรมุกมุงด้วยกระเบื้องดินเผาซึ่งใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุชั่วคราวทั้งยังมีอาสนะสำหรับตั้งโตกพระบรมธาตุ ซึ่งประชาชนสามารถมาหล่อน้ำพระบรมธาตุาที่นี่ได้อันดับที่สามคือมีเสลียงสำหรับหามบ้องไฟอันดับที่สี่คือมีกลองโยนหรือกลองบูชาหรือเรียกว่ากล่องปูจามีครบทุกลูกและลูกใหญ่นั้นถ้าตีก็ว่ากันว่าจะได้ยินไปทั่วตำบลหนองควายเลยทีเดียวอันดับที่ห้าคือวิหารปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อจุลศักราช 1,220 หรือพุทธศักราช 2,401 มีการบันทึกปีไว้ที่เพดานด้านทิศเหนือด้วยอักษรไทยยวนมีลายดอกลายรูปสัตว์ที่น่าจัว่วและช่อฟ้าใบรากาที่สวยงามที่ชุกชีหรือแท่นแก้วพระบรมาธาตุในวิหารเป็นลายรูปปั้นเครือดอกกูดและรูปสัตว์เมื่อเข้าไปในวิหารจะพบกับพระประธานที่พระพักดูสงบเย็น พื้นปูด้วยเสือทำให้มีบรรยากาศที่แตกต่างไปจากวัดในเมืองทั่วไปและยังทำให้มีบรรยากาศธรรมชาติสปายะเหมาะกับการนั่งภาวนาสักพักหรือนานๆแล้วแต่สะดวกด้วยเนื่องจากมีความสงบไม่พลุกพล่านคาดว่านักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักวัดนี้กันนักทำให้ยังคงความเงียบตามแบบที่วัดควรจะเป็นไว้ได้